ก่านสาธุชนมุธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันเรื่องมอโหสดตามเดิมแต่กล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทยรราชบรมกษัตริย์เิมบาดท้าเธอทรงเสด็จประภาสพระราชวิทยากับโอโหสด ตอนนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งอยู่ที่สมบตูพอเสด็จเข้าไปใกล้เจ้ากิ่งกาจะเลื่อนลงมาจากสมบตูหมอบอยู่ที่แผ่นดินเจ้าในรองทรนรับสั่งถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตกิ่งกาที่มันทำอะไรให้เราบางนโลกหลานที่รัก ถ้าฟังคำตอบข้อละเอียดนี้ก็โมโหสดเพ้อฝันเราฟังกันด้วยปัญญาเขาไม่ได้เจ้าสนติว่าสุดโสดสองวบเตปัญญอย่างการฟังแล้วก็คิดตามค่ายครวรตามเหตุตามผลไม่เกิดปัญญาเมื่อมันดาลูหลานที่รักกำนังเรีย น, นสีตุภูบาาจาย์ เรือ่องความบิดามันดาจะแนะนำอะไรแล้วก็อันดับแรกอย่าเพิ่งใช้ค้านท่้ก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่แน่นักว่าคำแนะนำคขาบิดามันดาจะถูกหรือผิดฉะนั้นขอลูกรักหลานรักทั้งหมดจงอย่าคิดว่าคำพูดของผู้ใหญ่เป็นอกุศลคือความโง่เสมอไป เจนึกถึงว่าพระเจ้าวิเทหาราชถ้ามีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อาจารย์นอสี่มีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ถ้าเราเกิดความทานนองความหยิ่งในตนเรื่องความทันนองความหยิ่งในตนนี้มันเป็นผลร้ายถ้าเราได้ฟังผู้ใหญ่ชมว่าดีแล้วก็จงอย่าเหลิงถ้าเราเหลิงน่าคิดว่าดีแล้วอยากกลายเป็นคนชั่ว จงพยายามทาตัวไว้เสมอการทำตัวว่าเรายังดีไม่พอจะได้แสวงหาความดีต่อไปเราก็อยากกลายเป็นคนยหลาดยามโหสถตอนนี้คุยกันต่อไปว่าท่านมโมโหสถที่ไกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมทุทิเทพขอเลชะจิงการถวายความเคารพพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่ดีนอาจารย์นาสีไม่จะไปด้วยถ้าอาจารย์นาสีไปด้วยเจาาาย้าเท่าสารพัดคิดคนเยเฮหายเยอะกันใหญ่เุราชาะในสอนรับสั่งว่าเออแม้จะ่สัติ์เฉานยังรู้จักมีความทำความเคารพคน เ, เราคนยราสงสารมันกิ่งกามันชอบเป็นอะไรกจบัณฑิต ถามาโมโหสดโมโหสดก็กลาบคุณว่ากิงกากิ้งกาชอบกินเนื้อพระโคตเยียวขาพระราชาจึงได้ต ถ, ถามว่ามันคนรจะได้สักเท่าไหร่จึงจะพอกับความต้องการของมันท่านมาโมโหสดจึงได้ประเมินราคาว่ากิงกานี่ถ้าว่าได้กินเนื้อราคา วันละกากระหนักหนึ่งไอ้กากระหนักเท่ากับหนึ่งสมัยโนนะ้นนะคำว่าหนึ่งนี้กมายความวากเท่ากับสามสตางแต่เวลานี้หน้าเขาจะเป็นสามบาทมากกว่าวันละกากระหนักคืนหนึ่งพก็พอพ ร, าาพระเจ้าค่ะรราชาจะพระราชทานรางวัลของหลวงเื่อเงินของหลวงเพียงวันหถึงกากระหนัก อนวันนั้นหนึ่งกากันหนึบแล้ววันนั้นหนึ่งภายสามสตังนี้ก่อนนะลูกหลานที่รักคอของโปกไม่ดี <c oughs> มันลูกเลยเวลานี้มันแก่มากแล้วถ้าใหม่กระราชายะไดีคิดว่ารางวันของหลวงถ้าจะให้วันหนึ่งเพียงสามสตังก็ไม่เป็นการสมควร ควรให้สักครึ่งมาศกคือสองสลึงถ้ครึ่งสลึงวันละเฟืองให้มันกินทุกวันแล้วก็รับสั่งให้ราชรุดจัดตามความประสงค์เพ็าอนั้นเมื่อราชรุดก็เลี้ยงช้างก็เลยกินขี้ช้างเพราะว่าเจ้ากินกามันกินเพียงครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งคนเลี้ยงกินกาก็กิน แน่ลู่หลามที่รักที่เขาประมูลการก่อสร้างอะไรกันที่ตามข่าวว่าต้องมีบวกราคาหนึ่งร้อยบาทก็ต้องบวกให้แต่คนที่มีอำนาจร้อยยี่สิบบาทบ้างร้อยห้าสิบบาทบ้างอย่างนี้เขากเลี้ยงช้างแล้วก็กินขี้ช้างตามข่าวเขาบอกกันว่าประเทศของเรามีการคอรัปชันมีการโกงกันมาก ถ้าไม่โกงกันมากประเทศชาติจะเจริญไปยิ่งกว่านี้มี่ต้องปลูกเพื่อนฟังเข้ามาเมื่อต้องปลูกผู้ใหญ่งนก็ขอลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่าคนไทยข้าราชการในเจ้าหน้ า, นาที่ทุกคนเป็นคนโกงเะทั้งหมดแต่ล้ว่าคนลีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่น คนหวังดีกับประเทศเทศชาติมีที่ไหนคนคิดทำลายใช่ก็มีที่นั่นดูตัวอย่างเจ้าเท่าสรพัรพิษศิียอาจารย์นี้มันมีฤทธิ์ปฏิความอิจฉาและศีรยาแต่ความสามารถของมันไม่มีเพียงแก้วมันีอยู่บัลังกามันก็ไม่รู้แต่ในฐานะที่มันถ น, นองตนว่ามันเคยเป็นครูของพระมหาราิช์มันก็คิดว่ามันฉลาดตลอดไป ปัญญาหรือปฏิบัาิของไอ้เท่าจังไรทั้งสี่นี้จงอย่าถือมาประพฤติปฏิบัติตามเพราะมันเป็นความชั่วจะทำตัวของเราเองให้เราร้อนทำคนทั้งชาติเอาให้เราร้อนไม่ได้ความถูกคุยกันต่อไปว่านับตั้งแต่วันนั้นมาราชาก็เสด็จต้องจัดเนื้อมาให้แกกินกากินวันละครึ่งมาสก วันหนึ่งเป็นวันที่มโหสดขอโทษวันหนึ่งเป็นวันอมโบสถวันอมโบสดจะมาเรื่องมันกลางเดือนหรือว่าวันสิ้นเดือนที่เรียกคําว่าวันพระชาวบ้านไม่ข้าใส่กันรอดเทวโลกก็หาซื้อเนื้อไม่ได้ในความจริงนี่มันก็โง่นะก็จะเอาเนื้อซื้อไว้ตั้งวันโกนแล้วก็ย่างไฟไว้ชนิดเพราะไม่เสีย ใันก็จะใช้ได้ความโม่แบบนี้ก็มีเมื่อไม่ได้เนื้อจิงเอาจิงเอากึ่งมาศกเอาได้ร้อยนั่นหมายความว่าท่านให้หนึ่งมาศกแล้วก็เอาซื้อเนื้อสักครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแกเข้ากระเป๋าแก วันนั้นเลือหาไม่ได้เอาเ้เงินที่เหลือนี่แหละเอาได้ร้อยเข้าแล้วก็นําไปโขกค อ, อกิ้งกาให้เป็นเครื่องบระดับแทงของกิ่นแต่ความจริงเขาไม่ให้กินมันก็หากินได้อยู่แล้วถ้าตังนั้นเป็นต้นมาเจ้ากิ้งกาก็เกิดเกิดจองหอมีเครื่องบระดับเท่า น, นี้ ไปอวดกิ่งกาตัวอื่นไม้เครื่องแบบนี้ของแกไม่มีนี่ฉันมีเครื่องแต่งตัวสวยกับเธอจึงท่านนอนตนขึ้นมาเพราะคิดว่าของหนึ่งมาเพราะอาศัยของกึ่งมาสกี่โบที่คอที่เขาเรียกกันว่ากิ่งกาได้ทองเวลานั้นงันดีก็ใช้มันเป็นทองคําไม่ใช่เหรียญอย่างที่เราใช้ในเวลานี้ วันต่อมาพระราชาสนิทประพาสพระราชอุทยานอีกกิ่งกายเห็นพระรา ช, า, า, เร า, ชาเสด็จมาแทนที่จะรีบปิ่งลงมาหมอบตามที่เคยปฏิบัตินา ม, มาในวันก่อนก็กลับเชิงเลื้ค อ, อเชื่อตัวหัวนะด้วยความเย่อหยิ่งนึกเปรียบเทียบตนกับพระเจ้าวิเทหราชว่าเขากับเราก็แค่กันนวะ พระราชามีแคร่บรรดับเราก็มีสครบรรดับนี่เขานักยังี้เหมือนจะเข้าใจว่าเพรขว่าอย่างนั้นมบาลีนะว่าพระเจ้าวิเท迦ราชมีทรัพมากแต่ผู้เดียวแต่ว่าตนเองก็มีทรัพย์มากเหมือนกันตั้งกึงมาศถ้าที่ว่าพระราชาเนี่จะมีทรัพย์มากแต่ผู้เดียวก็หาไม่แล้วขวัญญาณนะ เป็นพระราชามีทรัพย์มากกว่าจริงแต่เราก็มีเหมือนกันเราก็แน่เหมือนกันนิอารมณ์อกตัญญูไม่รู้คนคนแบบนี้ลูกหลานนี่รเร อ, อมันหลายจงอยาเธอเป็นแบบปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความชั่วความเมตตาปราณีที่คนอื่นเขามีกับเราสักวันหนึ่งขา้างหน้ามันจะเกิดเป็นภัยใหญ่ฟังกันต่อไป พระเจ้าเวเทียร่าทรงทอดพระเนตรแกาของกิ่งกาดดังนั้นจึงได้ตัดถามมโหสถว่านี่นาบัณฑิตทําไมวันนี้กิ่งกาดจึงไม่ลงมาที่สมมตูทำความเคารพมันวันก่อนท่านมหาศพบัณฑิตฐ์จึงกราบทูลราชาผู้ปริสุทธว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิ่งกาได้ของกึ่งมาศพหกหอ มันเข้าใจว่ามันมีทัพ์เหลือนหลายจึงได้ทำการเสมอทำตนเสมอพระองค์เย่อหยิ่งไม่ยอมมาแสดงความเคารพอันนี้หลวงปู่เคยปึกกรรมาฐานอย่างหนึ่งกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นพระกรรมาฐานแบบนี้เขาเรียกมโนมยติเป็นอภิญญา พอพระองค์นั้นได้อะไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยก็ท่านนองตนว่าเป็นคนพิเศษใครเขาถามเข้าว่าหลวงพ่อคุมหรือเปล่าแกก็ตอบว่าไม่เห็นหลวงพ่อคุมอะไรนี่แกได้ของใครเองแต่หลวงพ่อหลวงปู่เองก็ไม่ได้ถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนประสบใหม่วันหนึ่งไปสอบอารมณ์เขา้าความจริงหลวงปู่รู้อะไก็ได้แสนไหน แต่เรื่อพิญญาสมาบัติในโลกหลานที่รักใครได้และอดคลึไม่ได้เพราะไปสอบเข้าก็ปรากฏว่าแกยังไม่ได้ชั้นปฐมจังได้แนะนำให้ทราบข้ามความเข้าใจของคุณในการกอดที่คุณคิดว่าผมไม่ได้ควบคุมคุณนะความจริงใจของคุณมันยังยังหนานด้วยกิเลสมากเกินไป การรู้สึกอย่างนี้ผมไม่ได้ถือตัวจะทวงบุญคนกับคนแต่มันเป็นความอากตันอยู่ไม่รู้คนคนไม่ช้าคุณจะสลายตนจะต้องลงนรกเธอผู้นั้นก็กลับใจเสียใหม่ที่สุดเธอก็ได้ดีนี่อันนี้ปรื่องสคัญลูกหลานให้รักในเมื่อเราได้อะไรสมันนี้จงอย่าทําตนกับท่านลงตนจงอย่าคิดว่าตนดี พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนเององสมเด็จปิญญาสีคิดว่าเรายั ง, งโง่อยู่เสมอแล้วก็พยายามหาความฉลาดต่อไปถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเมื่อไรเราก็ตัดความดีคือไม่ศึกษาต่อไม่คิดต่อไม่าพากเพียนต่อไม่ค้นคว้าต่อเราก็จะกลายเป็นคนงโง่คุยเรื่องนี้ต่อไปว่าพระราชาทรงเรียกราชบุลุด ที่นำหน้าที่ซื้นเนื้อมาแล้วก็ถามว่าทําไมจึงเอาทองกึ่งมาสกมาผูกอคอคอกิ้งกาดระราชบุรกราบทูลว่าวันหล่งเป็นวันโนโบสดเจียวค่ะเนื้อไม่มีขายข้าพระพุทธเจ้าจึงเอาเงินกึ่งมาสกที่จะเหลือไว้เอาเชือกร้อยมาผูกอคอแทนอาหารนายเจ้านี้หลวงโอ๋บอกไว้ถูก ราราชชนทราบความผือตัวของวิ่งกาที่มโหสถกราบทูลก็พอประทายในความเจลิญดชอบรู้ของมโหสถเกีวกับท่ า, ทาอากาศของวิ่งกาทรงโปรดพระเจสตาโนโวสถขอโทษทรงเจนิทรงโปรดปรานมโหสถมากพระชาประทานสวยที่ประตูทั้งสี่ให้เป็นรางกับมโหสถ คำว่าสวยที่ประตูต้งสี่ก็หมายความว่าบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ที่นั้นเขาเก็บภาษีอากรกันเท่าไหร่ภาษีอากรทั้งหมดให้เป็นสมบัติของอโอโหสถเป็นรางวัลของความดีนี่ความดีไปอย่างนี้นโลกหลานที่รับจำให้ดีว่าผลไม่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะไปรอกันชาติหน้าถ้าคุยกันต่อไป แต่ว่าพระราชาทรงกริ้วกิ่งกาไปมากโกรธทรงประรับใจข้าเสียแต่มโหสถกราบทูลห้ามระราชาไม่ว่าธรมมดากิงกาเป็นสติริชาญหาปัญญาไม่ได้ขอทรงโปรดพระเจธาทานภัยเกิดพิจารณา ความจริงหลวงปู่คิดว่าถ้าจะฆ่ากินกาก็ควรจะฆ่าไอ้คนซื้นเนื้อมาให้ดีกว่าเป็นโง่สําหแบบปัญหาตอนนี้ก็หมดไปมาคุยกันต่อไปตอนหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบท่านกล่าวว่ามีมานพนายหนึ่งชื่อว่าปิงปิงคุตระเมื่เกิการศึกษาจากนักขอ้งอาจารย์ที่สาบานโมก แถเมืองตักศิลา <c oughs> แต่เมืองตักศิลาสมัยนั้นไม่ได้อยู่ที่อินเดียอยู่ที่ำกำแพงเพชรของเมืองไทยเรานี่เองตามตำนานท่านว่าอย่างนั้นนะนมปู่เองก็เกิดไม่ทันตำนานท่าว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นเมืม่อเมื่อเสร็จแล้วจริงและเวลาอาจารย์จะกลับบ้าน อาจารย์มีลูกสาวสวยยคนหนึ่งมีลูปงามร่างงามสวยพร้อม เ, เหมือนกับเทพอากรเจ้หาคนในเมืองนั้นสวยถ้าหุดสายขอลูกสาวของอาจารย์นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นคนมีเจนยามัญญาที่นักการอดพุลมมาเป็ น, นดีเชื่อว่าเป็นคุณสตรียอดสตรีทั้งหลายไเป็นแล้วก็เท่าถือว่าเป็นธรรมเนียม ในสมัยนั้นมีอยู่ว่าท้าทิดาในเด็กูลเจริญวัยเมื่ออายุสี่หกปีต้องยกให้แก่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่นี่เป็นวิธีการของอาจารย์เป็นระเบียบเมื่อลูกสาวอายุถึงสี่หกปีแล้วก็ท้าลูกศิษย์คนไหนเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษกว่าลูกศิษย์คนอื่น ก็ให้ยกกระรูกศิกคนนั้นแต่ความจริงอันนี้ก็ถูกเพราะเขาเป็นคนดีที่ได้เป็นที่พึ่งต่อไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปิ่งคุตระลาจะเออไปลาอาจารย์จะกลับบ้านอาจารย์ยังได้บอกกับปิงคุตตะว่าดูก่อนปิงคุตระเรามีรูปสาอยู่คนหนึ่งเราขอยกให้เจ้าตามธรรมเนียม ขอเจ้าจมพาไปด้วยเอาละสิแม่อาจารย์อย่างนี้อยากจะไปเรียนด้วยนะสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ทะาหลงปู่เป็นหนมก็อยากจะไปเรียนด้วยไม่ต้องเสียค่าชิ้นสอบทองมันสําหรับในายติงคุตระนั้นเป็นคนกาลิกินนีคําว่าคนกาลิกินนีนี่คือเป็นคนไม่ดีมีวัสนาน้อย สร้างความดีไม่น้อยไม่คู่ควรก็บลูกสาวของท่านอาจารย์ก็เรียกว่าลูกสาวน่าอาจารย์วยว น, าาารยนี่เป็นคนที่มีบุญญาธิการมากสร้างสง์ความดีไว ม, มากบุญก็คือความดีนะลูกหลานที่รักบาปก็คือความชัว่วจำไว้เพียงเท่านี้นะความดีที่เราทำในชาตินี้คือมีความคตัญูรุคนตวิดามารดาครูบาอาจารย์และท่านผู้มีคุณ จัดว่าเป็นความดีเราเรียกว่าบุญการมีความเมตตาปราณีเพื่อนหรือเมตตาปรานีคนอื่นมีการสงเคราะหน์นกเคราะห์เมื่อเขามีความทุกข์เราช่วยให้มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าบุญเป็นความดีสาหรับบาปก็ได้ความชั่วจะเป็นดา่าชาวบ้านเขาไปชกชาวบ้านเขาไปขโมยของเขาไปโกหกมดัดให้เขาอย่างนี้เรียกว่าบาปคือความชั่ว มันให้ผลในชาตินี้ไม่จะผลในชาติหน้าเขากเกลียดท้ำหน้าเราเมื่อเขาเกลดเราเราไม่มีเพื่อนเราก็เหงาเวลามีทุกข์ไม่มีใครเขาช่วยเป็นื่นอความชั่วกับความดีในผลปัจจุบันจะไปนั่งในสวรรค์พรมโลกให้มากเกินไปเรื่องสวรรค์นเนื่องพรมโลกว่ากันทีหลังเอาในชาตินี้ก่อนให้มันดีให้ได้ต่อมาจึงกล่าวว่า ม่เมื่อเป็นเป็นคุณระเป็นคนการิคัคคนนีแบบนั้นเขา่อยู่ที่ไหนลูกสาวของอาจารย์เป็นคนมีบุญมากตามธรร ม, มดาคุณคาการิคันนีคือคนเลวมักจะอยู่ร่วมกับคนดีที่มีบุญไม่ได้ฉะนั้นเมือ่อนายเป็นคุตรรมจึงไม่มีกิจใจที่จะรักให้ลูกสาวเขาไอาจารย์เลย สวยก็สวยรวยก็รว ย, ว ย, วยมันยากก็ดีแต่ว่าคนการิกนีไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางความปรารถนาของอาจารย์เพราะมันเป็นธรรมเนียม จ, จึงจำใจต้องอยู่กับลูกษาวของอาจารย์ที่บ้านาอาจารย์หนึ่งสัปดาห์ที่ตอนอยู่หนึ่งสัปดาห์ก็ลองสัมผัสทักอะไรเปลา่าก็ไม่ทราบ แม้จะได้อยู่กับรูกสาของท่านอาจารย์แต่ว่านายปิงคุระก็ได้เละๆไม่ได้หาความสุขอย่างประเภทสามีพัญญาเลยต่างคนต่างนอนกันอยู่ได้เฉยสบายสบายไม่เหนื่อยแท้ที่มีความสุขกับมีความทุกข์เขานั่งลำพึงลาพันทุกๆวันไม่เว้นตลอดมาไม่ได้ดามมาแล้ว เมื่อถึงเวลา น, นอนในปิงคุตระก็ขึ้นไปนอนบนเตียงซึ่งมีฟูกมีหมอนอ่อนนุ่มแต่ว่าพอเห็นลูกสาขคอาจารย์ที่ยกห้ปัญญาขึ้นจะไปนอนด้วยก็รู้สึกอ่นอัดละอายใจใจตนเองแห่ดูทิ่ไหมลนะ่ะจึงลงมานอนกับพื้นหายใจอึดอัดมาทนไม่ไหว อยู่ใกล้ไม่ได้แปลกฝ่ายปัญญาไม้รักษาเามีลงจากเตีย ง, ก, งย ก, ก็ลงมานอนกับพื้นเพราะมันนอนด้วยนายปิงคุตละก็ไม่สบายใจที่นางลงมานอนด้วยจึงเขาเป็นนอนบนเตียงนางก็ตามเขาไปนบนเตียงบ้างพอนางขึ้นไปในายปิงคุตละก็ลงมาใหม่ก็ไม่กลับนอนกันทั้งคืนสิทั้งนี้ก็เป็นเพาว่า กาลกินนีย่อมไม่สามารถจะร่วมกับสิ่งที่เป็นสิริคือมิ่งขวัญได้ซึ่งมีอาการให้เป็นไปตามฝ่ายที่กาละกินนีต้องการหมายความคนเลวกับคนดีนี่มันอยู่กันไม่ได้ไอ้สิรินี่เปราะมิ่งขวัญเขาเป็นคนดีวาสนามารมีสูงแต่ทํำยังไงถ้าทำยังไงยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะ การเป็นไปอย่างนั้นร่วมไปร่วงไปทั้งเจ็ดวันในจึิงคุตละก็ผ่านนางไปกราบลาอาจารย์ออกจากเมืองตักศีลาแหมไม่นาเลยนะ <c oughs> ขณะที่เดินมาด้วยกันก็ไม่ได้ปีปอกพูดกันเลยให้ไปงา น, นไปเจอทง่งถึงถึงกรุงวิทยาลาที่พระเจ้าวิทยานายปกครอง ข้าสองเดินมารู้สึกหิวเป็นกำลังเมื่อเดินก็มาก็ไล่ยามเมืองถึงกล้จะถึงเมืองหลวงในปีงคุตระเห็นต้นมันเดือต้นหนึ่งมีผลมากเข้าร่างเต็มไปหมดด้วยความหิวเขาจึางปีงเข้าไปบนต้นมันเดือแล้วผิดต้นแล้วก็ผิดลู ก, กมันเดือกิน พันยาสาวเชื่อเนื้อดูนายจิงคุตระสามีกินรุกบอเดือเธออยากจะกินบ้างเพราะความหิวเต็มทีเจ้าเนบอกว่านายจ๋าผิพนบอลเดือสมม่งมาฉันมากสิจะ๊ะฉันหิวเต็มทีแล้วนายจิงคุตระไม่ฟังเสียงขขาหนังหยิดกินหยิดเกลียวตามชอบใจขอเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ มันนางขออีกก็พูดว่ามือและเท้าของเจ้าไม่มีหรือทำไมจะไม่ขึ้นมาเก็บกินเองมาล่ะฉันไม่ให้เธอนี่ดูที่จะเป็นปินไปได้ <c oughs> แต่เมื่อน่าจะเป็นไปเพาะเขาไม่มีความพอใจนางคิดอยู่แต่ในใจว่าอีตาสา ม, มีอของเราคนนี้ในใจร้ายเสินดีไม่มีความเอื้อเฟื้อเสียเลยมือระเท้าของเราก็มี ยังไม่ขึ้นขึ้นไปหากินเองก็ได้คนใจร้ายเช่นนี้นี่ไม่น่าจะเป็นสามีกของเราเลยนล้วนางก็ปีนไป่ายข้นไปบนต้นมะเดือ่อติดผลมาเดือ่อกินแก้หิวมาตอนนี้สําหรับในจิงหุตระเห็นนางขึ้นมาแล้วก็รีบลงจากต้นมาเดือ่อไปหาหนามพงดอพราะจากว่าไอ้หนามพงดอเนี่ย ต้นพงดอนน้ำพอตนันาตึ๊กมันก็หลุดจากขั้วแล้วมันไหลเข้าไปในเนื้อลึ้นกับไปทุกทีเจ็บมากเล้วน้ำพงดอแล้วก็น้ำไม่ภั่มันล้อมต้นมันเดือไว้เพื่อไม่นางลงตามตนมาได้สะดวกเสร็จแล้วก็พูดว่าเชิญแม่คนสวยแม่คนกาลกินีอยู่ที่เน่สบายเถอดเจ้าข้าฉันลาแล้วเห็นไหม แล้วนางในปิงคุตละก็ห น, นีไปสําหรับนางนี่ท่าจะลงมาก็ลงไม่ได้เพราะโดนหนามที่ในปิงคุตละล้อมไวม้จึงไปนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อนนั่นเองลงไม่ได้ในวันนั้นปรากฏว่าพระเจ้าวิเทหราชได้สเสด็จสภะพาสพระราชวิทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพ า, า, ร, ารัา้าราบรัณฑิต มันดูไปจำพระองค์ไปหมดเนี่ยห้าคนเมื่อทรงเพื่อจะทรงราชสำราญในที่ยานพอสมควรแล้วเวลาจยงก็เสด็จกลับประทับนั่ง็นคอช้างจะกลับพระนครพอขบวนเสด็จจะผ่านผ่านมาถึงต้นมะเดือ่อเจ้าในทอดยเป็นเม็ดเห็นนางกุ ม, มารีรูปงามนั่งอยู่บนต้นมะเดือ่อเธอคนเดียว ทรงมีร่าไทยงวยงย ง, ยงยในความสวยสดงดงามของนางขณะเดียวกันก็ทรงปฏิพัทธ์เกิดความรักอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองยังเล็กอยากจะทราบว่านางไม่มีสา ม, มีแล้วหรือยังก็จรินถ้ามีสัจจะพระราชาไม่รุมร่ามจึงทรงรับสัง่งราชรุดให้ไปถามเขาถามว่ายังไงแล้วลูกหลานที่รัก ถามแล้วตอบกันไม่ทันเมื่อเวลานี้มันหมดเวลาเสียแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลก็ลลลมีรันกับลูกหลานที่รักทุกคนระรรดาท่ท า, าพ น, นพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี